ต่อไปเป็นบทปรงอสุภะและมรณานุสติจะสวดตามหรือทำสมาธิและฟังไปก็ได้นะครับร่างกายมนุษย์เต็มไปด้วยของศกระปรกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองขี้มูกขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะมนุษย์ไม่ต่างจากถุงหนัง ที่เต็มไปด้วยขี้คนสวยคนหล่อไม่มีจริงมีแต่ถุงขี้เดินไปมาพร้อมจะปล่อยกลิ่นเหม็นคละครุงได้ตลอดเวลาคนรักไม่ใช่ของแน่นอนหากศีลและบุญไม่เสมอกันเกิดชาติใหม่ก็ต้องแยกย้ายกลายเป็นคู่ของคนอื่นความทรมานจากการไม่สมหวังและต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ความเหนื่อยยากลำบากกายใจทั้งหลายในโลกนี้ยังเทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่ต้องตายกลายเป็นผีที่ไร้ซึ่งการสะสมบุญกุศลไว้มากพอร่างกายมนุษย์เป็นรังแห่งโรคเป็นของเปราะบางพร้อมจะป่วยและตายได้ทุกเมื่อไม่มีใครเลยสักคนที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกจะมีคนพึ่งตายและกำลังจะตายอยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้เสมอคนตายในวันนี้มักไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องตายไม่มีใครกำหนดได้ว่าเราและคนที่เรารักจะตายเมื่อไหร่ควรเร่งทำความดีกับคนที่เรารักและรักเราให้มากที่สุดก่อนที่จะสายไปไม่ควรประมาทในชีวิต มันสะสมบุญกุศลด้วยการรู้จักเสียสละให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ฟังธรรมกระตันยูต่อผู้มีคุณขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นมันสังเกตมองดูจิตภายในว่ากำลังรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกตัวทั่วร่างกายว่ากำลังขยับหรือตั้งอยู่ท่าไหนฝึกให้อภัยทําจิตผ่องใสให้ได้ตลอดทั้งวัน บุญและจิตผ่องใสมีเมตตาจะนำไปสู่สุขคติไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีแต่ความสุขความชั่วและจิตเศร้าหมองโกรธแค้นเห็นแก่ตัวจะนำไปสู่ทุกขคติไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากมีแต่ความทุกข์ลาบยศสรรเสริญความรักความโกรธปัญหาชีวิตและความทุกข์ทั้งหลายคือของชั่วคราวเป็นแค่ละครชีวิตปลอมๆฉากหนึ่ง เป็นเรื่องของโลกนี้ที่ไม่นานต่างคนก็ลืมกันหมดสิ้นนอกเหนือจากบุญกุศลแล้วทุกสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยทำไม่มีประโยชน์สำหรับเราอีกเลยในหลายภพชาติข้างหน้าที่เราต้องเผชิญกันอีกยาวไกลหากยังไม่บรรลุธรรมโชคดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภพภูมิเดียวที่ทำบุญได้มากและง่ายที่สุด วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังสวดมนต์ยังฟังธรรมะได้รู้เรื่องยังมีโอกาสอีกมากในการสะสมบุญกุศลเพื่อบรรเทาบาปที่เคยผิดพลาดมาในอดีตเพื่อเป็นความสุขความเจริญในโลกนี้และส่งต่อไปถึงโลกหน้าซึ่งหลายคนไม่มีโอกาสดีแบบนี้อีกแล้วเพราะเขาเหล่านั้นพึ่งหมดลมหายใจจากไป โดยไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสสะสมบุญได้ง่ายแบบพวกเราอีกครั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตสัตว์ทั้งหลายต้องตายหมดด้วยกันทั้งสิ้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับดับไปแห่งสังขาร น, นั้นเป็นสุขหายใจเข้าช้าลึกหายใจออกช้าลึกเบาสบายผ่อนคลาย น้อมระลึกถึงบุญกุศลทั้งปวงที่เราเคยทำจินตนาการเป็นกลุ่มแสงสีทองเบาสบายกระจายออกรอบตัวแผ่ครอบคลุมไปทั่วห้องแผ่กระจายออกไปรอบๆหมู่บ้านกระจายไปทั่วจังหวัด ครอบคลุมไปทั่วประเทศครอบคลุมทั้งโลกแผ่คลุมทั้งจั ก, กรวาลทั่วอนันตจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน